วาสิกาที่มาที่อื่นและที่อยู่ในที่นี้ก็ดีเหมือนกันแม่มาจำพรรษาผินไตรมาสสามเดือนแล้ววันนี้เป็นวันปรณนาออกพรรษาต่างคนก็จะแยกย้ายไปทำมาห้ากินทำธุระหน้าที่ข้างตนแต่ละคนละคนมีภาร ะ, ะต่างๆกัน คำว่าพันษาในที่นี้หมายเอาลคือดูผลสี่เดือนจะดูผลสี่เดือนเรียกว่าพันษาแต่แท้ีจริงนั้นมันเป็นชื่อของฝนเฉยๆนี่แหละเลยต่อมาเลยกลายเป็นวันสำคัญขึ้นให้เจ้าพระสงฆ์เลย บวชก็ดีหรืออุาบาสกอุบาสิกาได้จำได้อยู่พัรษาก็ดีถือเป็นของขังถือเป็นของสักจิตในเล่น ด, ดูสี่เดือนนั่นแหละเลยได้เข้าใจว่าพัรษาหนึ่งที่จริงไม่ใช่พรรษาแราว้วความเป็นจริงนั่นพรรษาหนึ่งพรษาหนึ่งก็คือเราอันนี้นับอายุนั่นแหละ ถึง12เดือนยังค่อยเป็นพันศาหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันย่อเข้ามาเลยเอาเอ า, เอาใกล้ๆสันส้นเอาเพียง4เดือนแต่เดือน8ให้ถึงเดือน12เ ร, เรียกว่า4เดือนนั่นนะเป็นพันศาหนึ่งแล้วยิ่งคนนัน้นอีกยังไม่ทันถึงพันศาทั้งอีก สามเดือนเท่านั้นเลยได้พรรษาแล้วผู้ได้บวชเข้ามาถึงสามเดือนแล้วก็ เ, เรียกว่าได้พรรษาก็ไม่เป็นของสําคัญอะไรหรอกพูดแดะฟังให้เฉยนี่แหละเรียงพรรษาจะปีหนึ่งหรือว่าสามเดือนก็ตามแต่นับเป็นพรรษาหรือไม่นับก็ตามใจก็ไม่มีมขอ้ขอสําคัญอนะไรนัก ข้อสำคัญที่สุดที่เรามาอยู่จำพรรษานะออกพรรษาจะต้องแยกย้ายไปทำมาห้าจิตตามพระราิตธกุราิตของตนๆนของตนของ น, น, น, นขอให้ยึดมั่นในห ล, ลักที่เราได้ปฏิบัติมาเราปฏิบัติมาเช่นไหน แน่นอนในใจของตนว่าอันนี้เราเป็นหลักถูกต้องแล้วให้จับหลักนั้นได้ น, นั้นเป็นของสำคัญยิ่งนะเรามาปฏิบัติธรรมใ น, นคล้ายๆกับว่ามาลึกมากรองมาพิจารณาพินิจพิจารณาหาข้อเท็จจริงในหลักธรรมนั้นที่เราปฏิบัติถ้าหากว่า เรามาปฏิบัติเพียงพ่านศาหนึ่งก็ดีหรือหากบางคนอาจจะไปหลายวัดหลายวาหลายพ่านศาแล้วก็ได้ที่ปฏิบัติมาแต่ก็จับหลักไม่ได้คือว่าที่นิตพิจารณากิกกองคิดท่องแท้ในใจของตนไม่จริงเลยสักอย่างเดียวโดยรัวลโลเลปฏิบัติโลเลเอาหลักมันคงไม่ได้ นั่นก็ยังใช้ไม่ได้ดีใช้ไม่ได้ดีการที่จะให้ได้ดีแท้ๆน่น้ต้องให้มีหลักให้มั่นคงในใจของตนการที่จะได้ให้มั่นคงของตนนั้นต้องพิจารณาตามนี้แหละที่เราปฏิบัตินี่แหละก็ไม่มีอะไรหรอกปฏิบัติในพุทธศาสนาคือทำดีมีหลักยังไงกันบ้าง ที่เราทำ ด, ดีทำดีทุกวันนี่มีหลักอะไรบ้างพูดก็ย่อก็คือว่ามีการทำทางมีการรักษาศีลมีการทำสมาธิแล้วก็เกิดสัญญาทั้งสี่อย่างนี่แหละเรียกว่าหลักหลักการทำดีของพุทธศาสนาแม่นีจากนี้ทั้ง ไม่หนีจากนี้ที่ทาคนดีทั้งหมดไม่หนีจากนี้เลยต้องทำตามหลักกีปะก า, านี่นะขานี่หลักเบื้องต้นเสื่งการทำทานมีอะไรเป็นหลักเบื้องต้นที่เราจะต้องให้ยึดมัน่นการนำทานต้องมีความเชื่อเป็นหลักมั่นคงซะก่อน เชื่ออะไรก็เชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเชื่อมัน่นในอย่างนี้เรียกว่ากรรมกรัทธาเชื่อกรรมอยากผลของกรรมขอเชื่อมั่นแล้วทำทำทานลงไปยน่มไม่ผิดพลาด ได้ความสมปรานาทุกกะอะไรที่ว่าไม่ศิดพลาดในทีน่นี้ความเชื่อแน่นแท้นในใจของตนแล้วทําทานลงไปทานยังเป็นผลเลิศทานนีงเงีได้แก่ตนเองความเชื่ออย่างนี้ทานสมัยข้างข้างพุทธกาล ท่านเทศสนาไว้ว่าทานนวัตถุมีสิบประการทานนั่นเรียกว่าวัตถุทานวัตถุถ้าไม่มีวัตถุไม่เรียกฐานและทานนนต้องมีภุรับษณจึงเรียกว่าทําฐานทานมีวัตถุทานมีภุรับจึงเรียกว่าฐาน ทานจิประการวัตถุจิประการอันนะปานังวัดถังยาหนังอันนะแปลว่าเข้าน้ำเข้าคือให้ทานเข้าปานังให้ทานน้ำวัดถังผายานังคือยื่อยานผานะ เรานี่แหละจีอยานี้แหละเอาไว้ใช้ก่อนคือให้ทานต้องมีวัตถุเช่นเขาเป็นต้นต้องมีวัตถุแล้วก็ให้ใครผู้รับปฏิคาหกให้ใครก็ได้ให้เจ้าพระสงภิกษุชามเนุวาสุวาติกาหรือให้แม่แต่สัติระชานเ็าเรียกว่าให้ทานยาน า, นานางคือน้ำไอปลานางคือน้ำ ให้น้ำอะไรก็เอาน้ำปาหน้าก็เอาน้ำดื่มธรรมดานี่ก็เอาให้มีแต่ข้าวไม่มีน้ำมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกันข้าวก็ต้องหุงด้วยน้ำมันจึงจะสุกน้ำอไน้ำอะไรก็ตามเถอะทุ่แล้วแต่ค น, ค น, ค น, คนที่จบควรบริโภคอะไรเรียกว่าปลานางังวัดถังคือผา ให้ทานผ้าพันธหากว่าเป็นภิกษุสามเณรแล้วก็ใช้ผ้าเหลืองกระขาวนี่ีชีแล้วก็ใช้ผ้าขาวคนนบดาตาามันที่เป็นฆราวาสแล้วแต่จะใช้ถือแล้วแต่จะให้ถืะผ้าอะไรก็ได้ผาสีสันวณ น, นะมีรูปพันธังๆังไดมดยาหนังยาพหนะ ที่ช่วยให้คนได้เดินเร็วเขาให้คนไปถึงเร็วเขาจะเป็นรถเป็น ล, นลาหรือเป็นพานะเครื่องบินก็ได้เพราะนั้นเรียกว่าฐานยานะมาลาคันทงังวิเลปนงังคือว่าเครื่องลูกมาลาคือดอกไม้ทูกเทียน เลืองของหอมก็เจะจันเรากการต่างๆวิเลปนังคือเครื่องลูกไล่ของทาตนทาตัวนี่เรียกว่าให้ทานนวัตถุคัน ท, ทางวิเลปนังให้ทานนวัตถุมีของหอมลูกไล่เป็นต้น ให้ต้องมีคนรับฐานวัตถุต้องมีคนวัตถุผู้รับต้องมีวัตถุคือคือนหรือสิ่ ง, งต่างๆที่จะรับอ น, นั้นนะ่ะงเรียกว่าฐานวัตถุจิต ป, ประการฐานเป็นอย่างนี้ยังอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของไ อ, อซึ่งเป็นภาษาคําพูดของที่เรียกว่าจาคะคือการสละ จ่าค่านี่ไม่ต้องมีใครรับพระให้พระมดจะเรียกว่าไม่มีใครรับก็ได้มันไม่ต้องมีวัตถุจ่าค่าเป็นของสําคัญมากบางครั้งท่านก็เรียกว่าทานบริจาคถ้าเกิดเคยเรียกเหมือนกันแต่ว่าทานก็มีอีกอย่างกันบริจาคอันนี้อีกอย่างนกั น, ก ม, กกนมีสองคำ จา่าส่าละนี้เช่นเราปฏิบัติอันไดขัดข้องในจิตในใจเทร้าหมอะในจิตในใจไม่พร้องใส่ปอดโปกในจิตในใจเราสละสละก็คือจาค่าเองธละอะไรกิจาฆ่าเป็นของดีมากอันนี้ก็ของสูงสีเดียวสละอารมณ์ทุกสิ่งทุกประการ ที่ข้องคัดอยู่นในจิตในใจของตนเพื่อเอาให้หมดไม่มีใครรับแต่หากไม่อดคนจะรับเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าสละมดโลกโกสงสละหมดแล้วคนทุกวันนี้นี่พากันแย่งชิงกันเพื่โลกเพื่สละมดมาตก พวกคนทั้งหลายชิงกันเลยอยากได้น่นอยากนั่นนี่ชิงมีจิงเด่นจิงลาาสิงยศดซึ่งกันและกั น, น, นเรียกว่าโลภออกนันเรียกว่าแย่งกันเมื่อแย่งกันก็เป็นเหตุทะเลาะวิวานทุ่มเถียงข้าฟัน่งกัน้วยกันอันนี้ความโลภความโกรธความเหมือนกันพระพุทธเจ้าเอื้อสาวกทั้งหลายท่านทิ้งหมดละหมด แต่คนเรานะี่ยโกรธอีกชอบนักใครว่าทิฐิถูกไม่ได้เราแต่ลากเอาความเขา ม, มาโกรธท่านอีกไม่รู้เลยเขาตัวเขาไม่รู้ท่านอีกมังคนพวกเขาพูกว่าเราแต่ลากเอาความโกรธนะนะมาโกรธอยู่คนเดียวกุ้มใจคนเดียวความหลงโ ม, งมงลัต่างๆเหมือนกันอันนี้ จาฆ่าเป็นอย่างนี้พระองค์ไม่มีตัววัตถุที่วัตถุทานก็ไม่มีวัตถุจาค่าก็มีบุคคลก็ไม่มีที่จะรับแต่ห้างไม่อดคนที่มารับออกทัททายเป็นของดีดีเหมือนกันพระองค์ก็เทศนาไว้ทัฏทายะบริสุทธสติใน ไอ้ศรัทธาจะตัดสีโอขังศรัทธาเป็นเครื่องขามโอค่าคือหมายความว่ามีศรัทธาแล้วเชื่อมั่นแล้วนั่นแหละเป็นเศษขามโอคังถ้าไม่มีศรัทธาอย่างเดียวหมดเลือกโอค่าก็เป็ข้าวขามทุนโอค่าคือสองสารโอค่าคือวัตตสงสารห่วงคือห่วงน้ำคือโอค่า ราคะโทสาโมหะเป็นโอฆะแต่ละอย่างละอย่างคนที่จะข้ามโอฆะได้มันต้องมีศรัทธาศรัทธานี่เป็นของสำคัญที่สุดเชื่อมันในกรรมเชื่อผลกรรมดังอธิบายมาแล้วแต่ว่าศรัทธานี่เป็นเบื้องต้นของธรรมทานยังอธิบายให้ฟัง อธิบายตะคุ้งมะกองจะลืมหลังเดี๋ยวจะลืมหมดขอให้เข้าใจใกล้ๆว่าเข้าใจใกล้ๆนี่ว่าศรัทธาเป็นเบื้องต้นที่จะทําทานนี่เป็นเบื้องต้นในการที่จะทําทานถ้ามีศรัทธาแล้วไม่อดทานอยู่ได้ก็ได้มากก็ได้น้อยก็ได้ไม่ต้องเลือกวัตถุ จะเป็นเข่าเป็นน้าแมนาา่นะาะการกินมากผูบรีสารพัดไม้ไร่เป็นทานทั้งหมดแม้แต่ใบไม้ใบตองเขาเป็นทานเราทา น, นด้วยด้วยศรัทธาเชื่อมันว่าทําสิ่งนี้ให้ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนั้นจะเป็นบุญี่เป็นประโยชน์แก่ตัวนั้นนั่นแหละอิ่มโอ้ยเย็นใจขึ้นมานั้นเราเรียกว่าศรัทธา มันทําให้อิ่มใจคันทานเอาไปเลยอิ่ม อ, อกอิ่มใจทุกอย่างทราบเพ่งเพ่ ง, ง, ง, ง, งจิตเพ่งใจไม่ลืมเลยนั่นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ขามโขค่ะได้อันนี้เรื่องสมาธิมีอะไรเป็นหลักผู้หัดสมาธิมีอะไรเป็นหลัก ให้พิจารณาทังตัวของเองตัวเองก็ได้ให้พิจารณาด้วว่าเราทำธรรมีมาที่ทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อสาระสลระอะไรทุกอย่างแล้ะสาระเมื่อทุกสิ่งหรือย่างอะไรมาจิตมาคล้องในใจมัวหมองในจิตนั่นอนะันสาระสิ่งนั้นเนะ่ยมันเรียกว่าจาระฆานี่รักอย่างนี้ ที่ท่านเรียกว่าละวิตกวิจารติทีสุขิตะห้านั่นเรียกองฌานมีองหาละก็คือสละนั่นเองกจากขะตัวนั้นเนี่ยสละก็คือจากขะตัวนั้นเองอจกังจกขะสละไปแล้วนั้นจิตใจยปลอดโอ่งคล่องใสสะอาด เราเห็นทุกคนต้องเห็นด้วยใจตนเองขยสละอากจะเห็นด้วยใจตนเองก็ไดะความโกรธมันเศร้ามองความโลภมันกว่าเศร้ามองความหลงมันกว่าเศร้ามองทำใจให้มืดมิดทำใจให้ติดข้องในเรื่องนั้นไม่หายสักสี่ คนที่ติดพบติดชาตินานๆจะติดเจ้าของคนนี้เองผู้ที่ติดนานๆติดพบติดชาตินานๆมันเลยเป็นนิสัยคล้อนแล้วนี่เลยจึงหัดละหัดทิ้งหัดถอนในชาตินี้เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วหัดปลดปล่อยทอดทุระเสียทำให้ข้อยอวางไป นั่นยังเรียกว่าหัดสมาธิเพื่อละสมาธิมีการละมีการปล่อยวางเป็นหลักปัญญาละคัน์ความที่พิจรารณารอบรู้ในสิ่งต่างรู้อะไรก็เอาเถอะของเล็กเล็กน้อยนี่ก็อยู่ในเขตในขอบเขตของปัญญา ว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่ ง, ส, งสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งสิ่งจยาบละเอียดอยู่ในขอบเขตของปัญญาปัญญาธรรมดาสามัญ น, นี่แหละไม่ต้องปัญญาอะไรมากมายปัญญาที่เป็นฝ่ายปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมะพิจารณาได้เกิดเป็นธรรมทั้งหมดความโลภ ดีเหมือนกันที่จะน้เห็นของโลกมันดีคือมันไม่โลภมันก็ไม่ละโลกไม่โกรธก็ดีเหมือนกันถ้าไม่โกรธก็ไม่ละไม่ได้ละโกรธนะไม่มีโกรธจะเอาอะไรมาละไม่มีหลงก็ไม่ได้ละหลงเนี่มนเป็นธรรมอย่างนี้คนที่ไม่เห็นเป็นธรรม โลภ ก, ก็คุ้ม อ, อ ก, กุ้มใจจยากจะได้ทายเดียวไม่มีทางปลดเปลื้องแก้ไขตนเองเลยโกรธก็เหมือนกันเลยคุบ อ, อกควบใจแต่ความโกรธเท่านั้นมืดมิดปิดหนทางไม่มีทางออกความหลงก็เหมือนกันไม่เข้าใจว่านั้นเป็นธรรมเลยพี่เต้ ความโลภของโกรธอย่างเดียวอ น, นั้นจริงว่าเป็นอ น, นั้นจริงว่าเป็นโลกไม่เป็นธรรมอ่ะนะคันท่าเป็นธรรมล้วเห็นมันละแต่ก่อนยังเป็นธรรมละเลยเก็เห็นเห็นคุณของข้าเห็นคุณค่าของเรื่องเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าปัญญาธรรมดาเนี่ยปัญญาสามันธรรมดานี่ยแหละถ้าปัญญาสูงวิเศษขึ้นไปกว่า น, นั้นเนีย ญญพันยายปัจฉนามันเกิดเองเป็นเองเหรอกอนะใครสอนให้ได้ใครจะแนะนําไม่ได้เวลามันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นมาเองปล่อยวางจิตใจปล่อยวางลงไปหมดทุกสิ่งทุกประการแม่แต่ความคิดความนึกอย่างนั้นก็ปล่อยวางจิตใจนั้นก็ปล่อยวาง มันเกิดอะไรขึ้นมาความรู้ขึ้นมาชาติขึ้นมาเห็นอนิจจังทุกขังนาตาหมดเรื่องพุทธศาสนาหมดแค่นั้นเห็นอะไรก็เห็นเถอะลงอนิจจังทุกขังแล้วหมดไม่มีทางไฝ่นี่แหละอธิบายให้ฟังถึงเรื่องทานมีหลัก คือศรัทธาได้ก่อนชินก็นคือมีหลักชิ น, นมีหลักคืออหไคือวิเดติงดเว้นน่าจะมีหิโธตปาเป็นเครื่องอยู่สมาที่คือมีจาระปัญญาเน่คือมีความรู้ความเข้าใจในการที่เห็นสิ่งนามพวงหมด รู้ผิดรู้ถูกรูกด้ดีรู้ชั่วปัญญามีสองอย่างขั้นเป็นยาในทางธรรมเห็นโลกเป็นธรรมย่าที่อธิบายมาแล้วโลกโกดลงนั่นเป็นของดีขั้นไม่มีโลกโกดลงก็ไม่ได้ละโลกโกดลงอันนั้นเรียกว่าปัญญาทางธรรมปัญญาสูงลีเด่นไปกว่า น, นั้นอีก เรียกว่ปัญญาบัญชาพิจารณาสิ่งเปงืงหมดเห็นเป็นโทษทุกข์ภัยเห็นเป็นภัยอันตรายจะจิตใจแล้วปล่อยวางทอดทุระลงอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่าปัญญาอันมีเศษสูงสุดคนจะคนจักโลกได้กับเพราะเห็นที่สุดของโลกคืออนิจจังทุกขอังอนัตตานั่นเอง ถ้าไม่ถึงนั้นแล้วไม่ใช่คิดเอานะมันเห็นจริงจริงะจังรู้แจ้งจริงจริงกระจ่างด้วยใจของตนเองคิดเอามันไม่มันไม่จิตไม่มีสิ้นสุดมั น, นเดียวก็พวกลกลับคืนมาอีกเขาไม่เห็นจริงแจ้งในใจแล้วละในหมดทุกสิ่งทุกอย่างลงอนิจจังทุกขังาตามันจะไปที่ไหนแล้วจริงครับพวกมมดมันเพียงแค่อนิจจังทุกขังาตา พุทธศาสนารวมย่อดลมาเพียงแค่นี้นี่หละพากันเมื่ออพันษาแล้วพากันแยกย้ายไปธรรมากินตามหน้าที่ของตนทุกๆคนให้พากันหาหลักเอาจับหลักี่ให้มันได้อย่าให้มันเสียทีที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมภาวนากรรมฐาน เดี๋ยวเอาของไม่ดีไปเผยแพร่ไม่จะหายขีหน้าตนเองของไม่ดีคืออะไรทั้งหลายทั้งคนทั้งปวงมดมาหาข อ, ง ด, อา ง, ดงดีอย่างที่ได้ของดีอย่างที่ฝ่ายนี้เขาเออกไปต้อนพี่ต้อนน้องเอาไปหาเอาไปฝากพี่ฝากน้องฝากญาติฝากโยมฝากหมูม่เพื่อน เอาเจ้าของไม่ดีนี่ไปฝากเพื่อนเพื่อนเห็นกันหน้าชมนิยมรับถืออันนั้นเป็นการดีมากและที่ว่าตัวของเราก็ดีหมูเพื่อนก็พร้อยดีไปตามด้วยถ้าเของไม่ดีไปละคะนมีอะไรของไม่ดีถ้าเก็บก็ของไม่ดีน่ะเก็บใส่ถุงใส่ถุงสเสร็จเอ้มถุงแล้วก็กลับบ้าน ไปไปเปิดดูว่ามีอะไรมีแต่กียะแก้มถุงไม่มีอะไรเลยอะไรของกี้ยะอยู่ในอย่างในที่ไหนผุงอันนั้นมีกระดาษว่างมีเปลือกไม้บางเปลือกส้มเปลือกลูกไม้อะไรต่างๆเศษมดเไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องจับไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดถือเจียเวลาเปล่าๆลาวควองปฏิบัติ อย่าให้มันเสียผลประโยชน์ในการที่เกิดขึ้นมามีชีวิตได้มาฝึกผลอบรมจงทําตนของตนให้มีประโยชน์คุณค่าอย่าให้เสียเวลาที่เรามาบวชที่เรามาปฏิบัติที่เรามาอบรมรักษาจิตอันนี้เรียกว่าอ บ, อ, อบไอสอนอบรมให้เข้าใจเึ่งเรื่องตัวของเรา ที่เรามาอยู่จะต้องเอาอะไรไปบ้างไอ้สิ่งที่ควรที่ติดไฟติดปืนของเราแต่เป้าของที่เศษของเลอะเทอะพวกนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยความปวดความโลคความหลงทั้งหลายหมู่เพื่อนเลยพากันาเอาละความโลคความโกรธความหลงแต่เราเอาความโรคความโกรธนั้นไปเผยแทะไม่ดีเอาละเพียงแค่นี้แหละวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะ เราต้องบูชานั่งสมาธิภาวนาบูชาวันสุดท้ายความปวดหลังปวดเอวเจ็บหลังเจ็บเอวบูชามวดอย่าให้เป็นของตัวความที่เกียดที่ข้านตรงน็ดเหนื่อยสัญญาอารมณ์ที่แห่วผ่านในจิตในใจของตนก้าวบนม่ววายอย่างนั้นวันนี้แหละจะต้องสละ ให้หมดจิ้นมันเป็นวันสุดท้ายจะต้องบูชาถ้าหากว่าไม่ได้บูชาเสียววันนี้มันจะติดตามตนไปมันจะไปงอกงามเกิดขึ้นมาอีกออกแม่แพ่ลูกขยายค่วขววงออกไปอีกเนี่นั้นจึงตั้งใจทำวันนี้การทำสมาธิ ก็มีหลักมือกันอย่างอธิบายฟังแล้วคือการสละปล่อยวางทุกสิ่งทุกประการในขณะที่เรานั่งภาวนาไม่เสียผลประโยชน์อะไรหรอกมีก็มีระดัะทับทินเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหนในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หายเราสละลงปัจจุบัน ไมจ้องไปคิดห่วงกังวลของพ น, นัเบื้องต้นเราต้องเอาคําบริกรรมจะเอาพุโทโธก็เอาหรือจะเอาอนาปาสสติก็ได้ถ้าไม่มีคําบริกรรมไม่ทราบมันจะไปอยู่ด้วยประการใดมันต้องมีคําบริกรรมจิตไม่มีตนมีตัวท่านเอาไปยึดเอาคําบริกรรมมา มาตั้งไว้แล้วก็จิตมันไปยึดเอาคําบริกรรมมั น, นั้นพุโทพโธวุทโธหรืออนาาาัพปาราติคเอาให้เอาเดียวจะเอาไหนก็เอาจิตมันก็จดจ้องัน้สิ่งนั้นจิตไม่มีหลายอย่างแต่จิตไัม้มีหลายคนคนเดียวเท่านั้นกะรกรจดจ้องอะ้รมันไม่ไปกังวลเกี่ยวข้องถึงเรื่องอื่นไกลมันก็เป็นสมาธิอะไรนี้น สมาธิอยู่ใกล้นิดเดียวฝึกหปฏิบัติต้องการให้เป็นสมาธิทั้นั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วค่ะนี่ให้รักษาสมาธินันไว้จะรักษาได้นานถ้าได้ก็รักษาไปเถอะเอาเป็นปีๆเอาเป็น1ิตปีๆคนละ่าไปอยากรู้อยากเห็น อยากรู้อยากเห็นไปก่อให้เกิดอีกแล้วให้เกิดให้ให้ก่อให้เกิดวุ่นวายอีกแหละนั้นเป็นหลายอย่างไปอีกหลายจิตหลายใจไปอีกแหละมันนิ่งแนวเป็นสมาธิอยู่อันเดียวอันนั้นเรียกว่าถึงสมาธิแล้วสมาธินี่ที่จะฝึกหัดสมาธิ มันต้องเห็นจิตใช่ ก, ก่อนเห็นจิตของตนใช่ ก, ก่อนผู้คิดผู้นึ ก, ก น, น่ะคือจิตผู้ส่งผู้สายไปมาต่งางๆนั้ น, นเรียกว่าจิตคันถ้าหากว่ามันคิดมา น, นึกเมื่อไรเป็นตัวจิตเมื่อ น, นั้นถ้าไม่คิดถ้าเห็นโทษเห็นทุกในการคิดนึกตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่หยุดยัง้งก็ไม่เห็น เข้าถึงสมาธิสักทีไม่เป็นสมาธิสักทีเราฝึกหาจะต้องการเดียกให้เป็นสมาธิเห็นนั้นยังให้เห็นโทษเบื่อได้ในการที่จิตสงสัยวุ่นวายทันเมื่อเห็นโทษเบือในสาระมดชะยังเหลือเจ็ดจิตเจ็ดจิตจุดตัวจิตตัวเดียวขัน จิตคือตัวคู่คิดผู้นึกแต่อย่าไปเอาการคิดการนึกมาเป็นอารมณ์ให้เอาคู่คิดนั่นแหละจากคูคิดนั่นแหละผู้นึกผู้สงสัยนั่นผู้หนึ่งผู้มันสงสัยจับเอาผู้นั้นแหละมันจะรวมมาเป็นใจคือผู้รู้เป็นใจและะ้วค่ะจิตกับใจมันต่างกันอย่างนี้แหละ จิตคือผู้คิดผู้นึกผู้สงใสัยผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้ท่าไม่คิดไม่นึกผู้แต่งแล้วก็เป็นใจคือผู้รู้เฉยไม่คิดไม่นึกเฉยเฉยอยู่ถ้าอยากจะสังเกตให้รู้ตัวใจต้องทําอย่างนี้ต้องกั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง ท่านอามใจเลไไม่มีหรอกความคิดเฉยเลยแต่รู้จักว่าเฉยรู้จักว่าเฉยผู้เฉยนั่นะคือเป็นตัวใจนั่นแหะทั้งเราจะสังเกตในตัวใจแต่ว่าการหัดอย่างนี้เพื่อทดสอบเห็นความจริงเขอามาแล้ว มันจะต้องสบายลมหายใจออกไปมันก็พุ่งสรานได้อีกสงสายไปตามเรื่องเมื่อมันสงสายมันก็เป็นจิตขานี้ใจคือผู้เป็นกลางไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตนในตัวอยู่ในบ้านในเรือนใ่งตัวใจไอ้ตัวจิตตัวนั้น ให้มันอยู่ไหนก็ได้ให้มันอยู่กับต้นไม้ภูเขาก็ได้ใมันอยู่ในป่าในรกก็ได้ไม่อยู่ในตนในตัวนี่ก็ได้สุดแล้แต่เอาเต็มเตตั้งไว้ตรงไหนมีความรู้สึกของนั่นนั่นแหะตัวใจไอ้นั่นแหะตัวจิตไปรู้สึกกันคําท่าหาก็เอาเอาเอาจิตต้นนั้นไปไปรู้สึกในตรงนั้นเนี่ยไปรู้สึกใจริงไดแล้ว ให้จับเอาคูรู้สึกนั้นอย่าไปจับเอ า, าอาการอาการต่างๆให้จับเอาตัวคู่รู้สึกนั้นก็จะได้ใจอีกเหมือนกันใจนั้นมันอยู่ในกรตามเถอะนอกไม่ว่าในาไม่ว่าแล้วเราฝึกหัดปฏิบัติภาวนากรรมฐ า, น ต, ามมนต้องการอบรมใจไ ม, ไม่ต้องการอบร ม, มจิตไม่ต้องมันต้องการอบรมใจอบรมจิตพวกนี้แหะ ให้ตั้งสติควบคุมจิตผู้นี้หละยืนเดินนั่งพอนิยาบทใดก็ดีรู้ตัวว่าเรากำหนดจิตเราเห็นจิตคิดนึกสงสัยจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นออก็อกมันทั้งเป็นสมาธิในตัวเท่านี้เราไม่มีอะไรต่อกรอารฝึกหัดอบรมพาวนา ต้องการให้เห็นจิตเท่านั้นเนี่ยมันจะไปได้ก็เอามันออกหรือมันเข้าหรือมันหยุดมันอยู่หรือมันนิ่งอะไรต่างรู้เห็นตัวมันอยู่ตลอดเวลาคันเห็นรู้เห็นมาอยู่งั่นเนี่ยมันจะมีเวลาหนึ่งปล่อยวางกันควอันที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนั่นมันจะรวมมาเป็นใจอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วมันรวมมามานั้น มันก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนเรามันถักรวมมีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้คิดตัวนั้นจะต้องการหานเปนอย่างนั้นเนีะยพึ่งหัดสมาธิใจใ จ, ใจขอหมายขวามวาของเป็นกลางเรียกว่าใจจริงนะความมดขอาของเป็นกลางนั่นเรียกว่าใจ ไม่ต้องเอาไปคิดไม่ต้องเอาไุงไปแต่งอะไรทั้งหมดไม่ต้องอยู่นอกอยู่ในแต่ของเป็นกลางกลางของที่ไม่ดีไม่ชั่วแต่งเป็นกลางกลางชั่วก็เป็นสมมติเราชั่วนั้นเป็นทั้งทางซ้ายแค่ดีนั้นเป็นทั้งขวาแค่แต่มันเป็นตรงกึ่งกลางนั่นน่ะตัวใจแท้นะใจเป็นของกลางอย่างเขาเรียกว่าใจ ใจอะไรก็ตามโดยใจมือใจไม้ก็ตามใจผู้ใจคนก็ตามเถอะเป็นของกลางใจต้องชี้เข้ามาตรงหน้าทำกลางอกไปละตรงกลางๆนี่แหละใจมือก็ชี้เข้าตรงฝ่ามือตรงกลางมือแล้นเนีะใจเท่าใจอะไรต่างของกลางเรียกว่าใจถ้าจะให้รู้ใจ้เข้าใจอย่างนี้ยังจะค้นหาใจให้มันถูก